เ็จ้าผู้ระกอารระสูประกอบรีรในตาคิบาาจารย์ที่จะเห็นอ่านเห็นทาแนะนำคาสอนพวกเราเกี่ยวสการปฏิบัติในตาต่าจริงๆนหายุทธยาไรสำหรับจิตใจของผู้ที่คนในเชอริยะ เป็นขอ้อสำคัอย่างนั้นการแน่สอนผู้ติ้งเจหรือจะตาอาจารย์ในเวลาเ้ามาบวชใหม่โัวาวะทำถึงสอนยุคมงคยุมงค์แล้วตัวตอยู่ปากตตาจะเป็นที่สำคัญเป็นที่เกิดอัศจง เป็นวิเศษธรรมะได้เรจะต้องอาศัยผู้เข้าไปเกิดประนวลทางจิตมันใช่แลาเข้าไปอยู่ในตากที่ิเวศตั้งหัวตังเลงที่สึ่งทึกอย่างแล้วจิตใจจะเกิดคนท้องดีวิเศษขึ้นเราย่างั้นพวกทางผีใบตับนี่ยิล่าตับในตา ก็ในมีสนาธิปัญญาทางะไรทำอะไรือุัป่าจำนวนมากเราคอยจิใตใจเกิดยนสมาธิปัญญาสิบไ้แต่ส่วนม น, มนุผู้หวังความบริสุทธิ์คามตนทุกข์เข้นตาเป็นที่เหมาะสมยิ่งคปจิตขัวใตก่ันเขี้น ชอบ่ตาชอบหาที่งนี้เลยสงบแต่ถ้าปกติธรรมดาจิตใจเขงคือทุกข์นเรลาเมื่อตาเห็นก็ไม่อยากจะตัดต่อเรงจิตไอ้เม็ดที่ลวงแก่งต่างๆถ้าจที่เปนชอบใจขอใจออใจ เอาในรูปแบบนั้นติดมันดาา่นจยากได้ภาพสิ่งที่เราชอบใจตอนนั้นบเกลียดใจหูได้ยินเสียงเสมือนกันเสียงมนุษย์คนเสียงต่างกันยุง่าเสียงอื่นๆเงีจะเรียวยวนวนไปกับสิง น, นั้นเลหลงไหล่ยียงจพื เสอยงตอนตั้งหลาหลังเสียงตอก็ยงเป็นชุดเไทตหักจักใจของใหุ้่มหลงเวนั้นคือที่ดูตาทางตาก็ไม่เเลยดูทางหูก็ไม่เคยเลย้างิีนและตั้งขับไม่คถ้าพูดเล่ เป็นมะต่เป็นมะทีอยุบบกต้นบกมบแก่นี่กาที่จะแห้งหนาตัดเปนต่อนำมาขาดตักไปนี่จะขาดจิตใจขาดเยืลงสุดต่อในสันญาอารมณ์อดีนคือใกล้สุดเราต้องจินต่าง เรื่องสติยระวังรักษาเนี่ยมันจงชดเรื่องอดีตด้ใจเน่อนะครัถูกไปสุถูกไปตั้งนถูกไปรวมจิตใจทำเลยคิดเอาไว้การไปยแท้จะไม่สร้การําตัวตายทางใจ ในใจยังคิดนึกเรื่ตัวนอารมณ์ อ, อาาฤฤฤดีรทย่เืออนาคตดวงมันเปดไปอันนี้ก็คืออยู่ยตัวแต่เรื่องที่มันดวงมันคิดไปเป็นคำหรืออาไรคำอย่างไราถาขาดมันเปนี่ยนไาดคำเปนี่ยเปเสนอขา ย, ท, ยทีจะจุดทุก หัยใจใจตัวตัวทังตัวท่านก็สอนตัวเองนะใจอย่างที่มั น, นมีเราคิดในใจให้หาใจไปคิดให้หายใจไปคิดให้หายใจก็คล้างต้องหลับาตบาเพื น, นที่สะหยุดงหน้แต่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในเมือง และตาเรื่อที่ตาและตต่า ง, ง, ง, ง, างๆเช่นตุ้ยตาตาอยู่ในตาตาอยู่ในตาเล็กมันมีคนที่ตัวสีตกัวสีตาตาลทำร้าต า, าต่างๆไม่มีสิใดอะไรที่จะเป็นที ง, ทงันอะไร นอกจากทำทำของของาระพุทธเจ้าทำตัวเป็นค้อมสัมผที่เตือนจิดเตรียมใจนะจิตโลกภารับทางโลกจิต้ลกอาศัยเรื่องการำของของระพุจ้าซึ่งจอตรับประทานใจอยู่ตลอดเวลา ในแถวตัวและระวังรักษ า, าการรูปเรื่อที่ตัดผู้ดูตัดจึงจะคูกอย่ในความร้อนต่าต่เพื่อตัดที่ ต, ตัดถึใจ ท, ทั้งคนเมื่อมุ่งรักษาใ้งหน้าแบิบัตคการดี พยายามยข้อด้วยนักตเป็นไปในเรื่องของโลกทำทีนาทันอัดกับสิตใจอย่างไรที่ไม่พิจารณาอะไนัรื่อจุดอินหอจิตลงรวมเกิดทาง ในควเป็นของศิษจักรในตัวของตัวถ้าเจอก่อนลายยังในเด็ดกศิษย์อบรมจุดใจจ <c oughs> ุดใจคอยจุดข้องจุดใจคอยจุดสนุกสนานในด้านออกเสียงกินและต่างๆแล้วเวลามาฝึกอบรมแล อย่างเรื่องราวนหมืัยึมั่นในความพาใจของพระเจ้าเขาวรรจายจิตเรารวมรวใส่ในรับความสุขอย่างนี้ใจจักจัดเจริญในจิตเขาผูกติดผูกอารมณ์ผูกับบเรื่องปิบัติเรารู้สึกยินดีมนความพอใจ ม, มีความสดคนหักเยียดเย็นตาเป็นท้องอิดท้องดียินต่องีบเหยียขอเป็นผีรีเดียตต่างตางรันอยากทํามผัดความเพียรทอุท้ยสะบกเดินเลี้ยงแม่นก็ดสะดวกสบายถ้าเราไปทำในสถานที่ทุกท่า ด้วยในสถานที่ในบาง่วดที่ทำคกามดีก็มีสตนทรนึ่ง์และโและจิตของเราเองก็มาเข้าได้ผลประโยชน์จากไปคนจะหาว่าทำอวดเขาบอย่นั้นอห่่งนี้ไปมีดีไม่ต่างไม่ว่าดูคนทีื่อใดจะมามองจิตและทำ ความ ด, ดีอางอุเบกเป็นเรื่องยกกายแตเดวกสบายสถานที่อันวนื้เป็นกตัยยะสาหรับผู้ปฏิบัติทางจาป่าจึงเรียกว่ามหาวิทยาลัยสาหรับจิตใจของผู้คนให้เป็นอริ ย, ารา ย, ยระาาเช่นมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาถ้ามหาวิทยาลัยในทางโลกเก็ดเรื่องมเมตมา รื่องที่เหนือตันหาจิถุมานะสิงใดมีอยู่ในจิตในเจต่อส่อหน้าอยากเพิ่คูนให้ิตครับถือตัวว่ะเรียนขั้นเอกถือตัวว่ะเป็นคูถี่นี้ที่าต้องรู้สึกเรียน หาข้าวยาอะไรต่างเพื่อแก้ศาสนาท่านสอนให้ละการยึดมั่นความรู้และได้มากเท่าไรจิตใจยิ่งแขยิ่งเบาสบายิ่งมานชีิตเป็นไข่สานหลักตัวนั้ขอให้าย การพูดภาษาต่างเป็นหน่ายทุกอย่างสาคัญผู้ที่ศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติมีฝันได้สำเร็จทกอย่างทุกอย่างตั้งมีการโทรตั้งอกรณ์ที่ติดมีเซบาติดพัดอากาศอากาศเติมที่เบาสบายตั้งหลักขั้นที่ศึกษาได้ ถึงจะไม่มีประการนิยบัติอย่างโรกแต่จิตใจทั้งขั้ประจักษทับส่วนอื่นต้มสีสูมีคามเอื้อสนยินดียิ่งต่างได้ประการนิยบัติาทางโลหน้าตาสตอเพราะจ0ตเสียที่อถอนสิ่รู้ที่เห็น ที่เดาที่สบายจากการจิตวิ่งจีตเคยเป็นมาที่เคยหุ่นวายจิเคยต่อสกันหัวเขาตัว้ังตัวอีกมันเบาไปมันบางไปมันปล่อยไปจิตใจสว่าง ครูอาจารย์แะสอน ยิ่งขั้นไปกอไปเอาใจร า, า, า, จ า, า, ากานะจะได้ใหั่จะเป็นใหญ่ก็มันมีวันมีเวลาที่ทรมาอย่างนี้จะเกิดขึ้นการสิกสิดอางงใจใ น, ในต่ามันหมดการตั้งบนอยกข้อกับเรื่องใดๆเพราะต่ามันมีรูปใียง เรือ่องราวอะไรที่จะมาให้คิดให้ใจจิดฟองนะอกจากตัวตายคือตัวว่าเสือจะมาางจะมายงูจะมาลิ้นสีจะมาต่างๆนานาแล้วตั้งหน้านต้อปฏิบัติธรรมเพราะเหตุของผูง้คนที่ปฏิบัติธรรมไม่มีอาวุธอะไรจะไปต่อสู้กับตังหรอ น, น นี่จะอาจเกิดทำอย่างเดียวเท่านั้นถ้ามันมาจริงจิงจงๆการภาวนาของหลาก็ยิงง่ายถอดปัดเพราะการบังคับใจการบังคับนี้นี่คือเาหนออเขามาบังคับสวดง่ายถาไปจะแทนยกไปในเรื่องท้างโลก ยึดติดไปไหได้เพราะคนเราลัวตายยิ่งกว่าตัววนอื่นัวตายจุดไม่มีที่พึ่งอาส่เจาวกเข้ามาทขอ้การการบรรลุารึเ <hobby> ข้าไปแล้วมีเวลาเติมที่จะไปดเรื่องนอกใม่ค่อจะมีัไปคึด คึงทำบริกรรมงตนเลกที่มีธประจตัวอยู่แล้วต่ีรมซึีประจันใจอยู่จนที่เป็นข้าวใสขาวใสเป็นระจึจังแล้วตัดนใหญ่น้นาูนเพราะมันปวดาวใ คนนั้นดังไมเ่เป็ น, นะ พ, เน ะ, เ ะ, พะเป็นธรามะหลังก่อนไม่จกลัวใจกิบเป็นพระแล้วถือวริยะกัวทั้นั้นใจเจาต้งพะเป็นใจขีเป็นสิผู้อยู่านใจตับคนขัดใจไม่เป็นคระแต่ใจยังไม่เป็นพระมีมามามาทางสุขทางสบายด อย่างไายนอกจ ะ, ส, ขขจะ ส, กสมบูรณ์ปูนถูกขนาดไห น, น็ต่ัาตาําบัติหรือลาะตาจะมากมาขนาดไหนแตตาด้านต้างกายมีทีนั่งสบายทีนอนสบายโออารู้ละแต่ที่ว่าใจไม่มีพระจำตัวไม่มีทาสถูก้าเป็นพระได้จิตใจสบาย เปลอ่นท้ลตฟอร์มจักข้อข้องว่นวาก็มาเป็นอุปสรรคตั้งแต่แรกพวกเราที่เข้ามาปวดจนล้าที่สิรษา ม, มาเลยโลกสกมมติ่าเป็นพระสมาะพระก็คืออุปสรรคให้มันที่ไม่ทุรนานะตรวจตาจิตใจทั้งหลาง อย่างนี้เราเป็นพระ4บประเสริฐ 40% หรือจิตใจของเราจะงวทชิดโยมข้องในทางขนาดหนันบางครั้งบางสมัยบางการบางเวลาที่เราไม่ เป็นของสำคัญยื่นฝากต่สิ่งอื่นพวกฝากอใจเป็น้ป็นสิ่งที่าศัยได้แต่แต่กรณีอื่นที่จะดีอื่นๆยื่นฝากทำนั้นต่างจาครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าผู้กอนอะไร เพาท่านสร้างมาอย่างไรเราจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของของหัวงพ่อเมื่อจิตใจของเราตกไปนทางส้ขัวอัติเตมเป็นอัิเตมยึดติดเพื่อเน้นทีติตในเรื่องของตามอารมณ์ต่างๆและทุกศิษยาบาล ในศัตรูในบุกคัแต่ชีวะเราเล็กทิศไปในทางขั้วอต่เลึกทิศไปในทางขั่วใหญ่นั้นะราบอกว่ายังแฝงทำาห้มนุกย์ไปดังหนึ่แล้วต้องมาสอนตัวตรวจตัวอยู่เส ม, มอกอารนล็กคิศตอบผิดอไรมณ์ตั้งตัว แ่าเป็น้าเป็นเงินด้วยยังยูปเงียงะเกบนหลี่ยมมเหลี่ยมเราสมมติถ้าเราเป็น้าเป็นเงตัวเอียงตะยู่ใจตัวอะไเป็นภาเป็นเงินตามจีหนึ่งหน่งหมเล็กทรงสมคนหเราเป็นเ้ารับหลักานพิเศ ไม่ดีเรเป็นชาเป็นเงินงแล้วมันตกไปง่ายหาไปยากเัียเลยสำหรับเห้ยขอชา ข, าขาเอเงิน ข, ขเอเ ง, งินนู่นครับเงินของตอนั้นเราเป็นสึกตัวของเรากลายเป็นชเป็นเงินเปลี่ยนธยรมชาติที่ประเภทการแนะนำการขอปัญญาอาหารจิใตใจ มันคาบปรุงชุดรูปก็ให้มันที่นี่ทุกนาลูกต่ภาเป็นหนี่งทั้งหมดแล้รูปทั่วไปเราพอศึกษาล้างในการูปถึงรูาการรูคือเราติดเราคล้องเราถีเราเย็บกลาเป็นของสวยของงานหน้าจำหนักน่ายินงดีใหญ่เล่นในี่ อะไที่แกน่ะตัสีตัวผิวของมันกลาเป็นยังไงอะไรที่นั่นก็จุดช่อ ง, องที่จนะรางนให้ขวดตตามตามเป็นจริงขงา้างหลังธรรมดารูกเป็นของราเชีื่องเป็นของอาศัยตั้งขึ้นแล้วก็กะขวนดับไปที่เราก็จุดเราช่อง เราชอบหลงเําหนัดกินดีเพราะเราอยู่ที่พจานะรณาลูกัตามตามเป็นสิงท่านั้นถ้าคุ่ใจจึงเห็นู่ขาดเรียงลำดับทั้งตัวเองกำหนดที่นิสิจารณานะเอาไว้เลยว่าเราตายเราอยากตายหรือตา่เราุดใ จ, ในในใจ เ, เห็นตัวข้างตัวว่าเป็นของสกประสกปรกเป็นของไม่เรียงยังยืนเป็นของคนอยู่เดาว่า ตได้โลกไทยใ่เก็บเต็มได้วยทุกโลกอืน่นที่เราไปสืบไปช่ก็เหมือนสัตว์ัรูปทั้งหลายสวรูปของเราไปจากชาตดแน่นอนเาไรูปคนอื่นทั่วไปในโลกก็เป็นอย่างนั้นที่จะไปถืบแั่นโดยดยึดถือว่าสวยว่างานกำลังยินดีก็คขอยดตัวเข้ามา ยิ่งี่เจรนาลูวาดทายเท่าไหรใจก็จะยิ่งดีวนาหน่ยยิ่งดีครอบครองในลูกลูกก็มีอยู่ทุกคนทุกคนจุกจุกเลยยังมีชีวิตอยู่นี่นคือแับลูกในมือการที่เจรนาลูตั้งสถิตลงในลูกก็คือพี่เจรนาเลี้ยงสถิตตัดขาด ให้เห็นตามเป็นจริงในรูปอย่นั้นจิตจะลายจะวางในยึดในสี่อในรูปกิตหาจากรูปในยึดในรูปในสืรูปแต่อายรเป็นสื่อพาบำเพ็ญเป็นงานความดีเหมือนกันกับเราอ่านนะต้ออาศัยมือสื่อกันไป ถ้าถึงสั่งอะไรเรื่องลูกหรือเรือที่เราเกาะเราใัยก็หมาจำเป็นที่จะแบ่งจะหาไปด้วยลายบางเงี่ยฉันเดาตามที่ใจน้าลูกเมื่อพวกหือเอาไปทับสวนจุดเก่าจะต้องขอขอเราทุกที่เราย็ดที่จะโูกมาจากที่ไหนก็มายเป็นตัญหา จิตใจจะไปจิตข้างรูปอะไรนั้นแต่ใจเนี่ยเราคิดข้างเราเองข้าก็อยู่ส บ, บาเในวักวนมาเกิดตายในทกข์ขัดองอะรนี้เที่องตาวางรูปได้แตาใจแทบเแล้วตรวเองแต่กอนมันเคยิดข้างเราพิจารณาตีบาปัญญาอย่างนั้นคิดข้างเราอย่างลูอย่างนั้น เดี๋ยนี้อยากให้น้ำข้าวนาวุ่นอย่างเต่ามันไม่ยอมตัวเก่ามันึงไม่ยอมถ้ามันข้วนาทั่วที่เนื้อเนื้อนีนทำกับเราทานอาหารแต่เมื่อเวลาเราหีวเราทานลงไปก็มีรสชาดิอร่อยอร่อเมื่อเราอิ่มแล้วอาหารจะเ็นสำหรับสำหรับคนเก่วเนตามเป็นจารอีกต่อไป้าหาขาดฉันเราอิ่มแล้วเราตานรับปาน จบังคับให้มันพันอีกมันงขันอีกมันงโกงยอนับเพรันอีกขันเราลูกขั่วไปตรงนั้นกันข้าหาจิตเราต้องเราพิจาณาตั่วเรื่องของตัวเอียงขนลูกอีกั่วไปในตัวไปสนุกโผล่ก็เข้าใจเขาขั่วไปเป็นอันเดียวกันนั่นใครเจ้าประจับพัดเย็แบบมันก็วางกับ ตัดนีนสุดแล้วตัดสปด้านขวาดีตัดเลยแล้วตอนเราข้าวแล้วตุต้ม ล, ล, ล, ล, ล, ลั่ยึดแล้วทุกบทจึงกว่าการยึด้าดยึกขันยดลูกเป็ต้อตังความดีกว่าเรื่องตีถ้าหายึดลูกเข่าวดท้องลูกล ยืนจักลอยดังอยู่ทั้งคู่กันเบาสบายการปฏิบัติถึงจะขัดข้างหรือยังไม่ถึงที่เกิดขึเนมารู้สึกว่าเบาสบายและปัจจุปัญญาในเวลาทีวางจักรู้ก็ได้มันเปนปติจุ้าปัญญาปุ ตรอไม่ นั่นก็เราจะสบายขนาดไหนเราฝึกเกี่ยวกับเราใ้ฝ่อให้วางให้เกี่ให้เกี่ยว้าระจาดกรใจายแต่เราเรืองทูเรื่องที่ส่วนเรื่องคาวิเรือิต่องหน้าเดีบาหลังอู่เป็นขอสัันธาดอยาดได้ มีกฎเกณฑบางมีกฎเกณต์บางเกี่ยวบเร่องการปฏิบัติทำให้ขั้วสเป็นต่ำแล้วอขอนะั้วอะไอ่ะจุดนี้จุดมันมีการเลี่ยนอย่างในตัวข้างล่างคือของตัวดีตัวหลังในตานทีท่จะเป็ นานจนงั้นติดติดขังอะรววนสุกรวนอังคารสาธุปฏิบัติก่วกับเรื่องปฏิบัติเพื่อทางสงบสงบของติดเรื่อความรู้ความเขียนประจากทับเกิดในเรื่องจารกาติดังนเาเห็นประจักษัดเกิดแั เลี้ยกวากวาน่ะอยูเขื่อะได้กกระจจาาเีเ่น ah right. ja. ทังโลมันมีมาปัเกิดวกอย่างไรนนี่เราตายไปแล้วโกก็ยังมีอยู่ภูมิบุกทองคูใดกว่าต้านอะไรสองแบบเ่อนเขา ก้อนกระตังแบบกระตังอะไรรูปคู่เก็บระบายลูกหยาบรูละเอียวทุกแน้พุกเวียใจเลยรูปเสียใส่ท้าโลกใสทั้งโลรณีลาที่ไม่ตดแกนแบหลายอย่างยแตกละเอียรูปจึงเกิดกาตั้งข คือขวบติดข้อขวบไปจากควันติดไปควันที่ติดไม่ติดอะไรเยประหยัครับประหยนั้นจะไม่มีค่าข่านจากหุ่นไปบ้างถ้าติดในโลกเมื่อไดก็มีร้านมีเวลาที่จะมีค่าสุกตูส่วนนี้ตันเป็นศิลป์ศ <the> <the> <is> ิลปอาศัยทั้งโลกและเราจงบัง รองัองหอร้อหนาดื่มเท่าไหร่วหนาดื่มเทาไหร่ปวดหนาดื่มเท่าไหรขลังต้อนว่างให้หายใจเก็บห่เป็นหุกขั้วหนึ่งขั่วหนึ่งขั้วหนี่งแยงแวกปัดเดือดไปจากน้ำตาหายไปแล้วก็เสียวละจิตกบาร่างโลกสรมต กีจะโกงอำาจของเดกกีอันจะรให้ช่ยเสียใจเต่างผูกเกราตามแบบปฏิบัตินอย่างนเมือนกันกับพวกเราที่โง่ต่กู้ได้เข้าเร่องของลูกเราหลงกับ โดยวัตถุเราชอบเราจึงว่ากฆราภิวาสใจ มีหอปัญหาขเราเป็นขาดศึทางสอนม่าอย่างไรแต่เราปกตบยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ถึงอยากเป็ข้าราชการความรู้องเราเป็นความรู้ดีที่สุดอยาไปนเล็เป็นน้อยถ้าความรู้ของเรายังเข้าไปเรี่ยๆสอนของใจ้าถ้าเข้าถึงข่านไหนละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยยอม ยิ่เชื่อการถีงพระณาจารในเชียงเสร็จหลวงราชาลักษณ์พุทธงทราสสังสารนัจะต้องถึงทางใจจริงจัการถีอพระพุทาสา่ได้รับถืเมืองสังสารานุยมที่เป็นอยู่ในสายใจพระเจ้าพระความเป็นจ้าเป็นผู้สุดยอดใน้อายกำแบกพระเจ้าไปเอาพระเ้ามัตส์หังพอจ เาจะยจถ้องทํางักกรงใช็นบทำตามดี้สองไม่ใช่จะแต่ได้สองควมรักตยนึกูนตหร่าาด้อยึดใจได้สอติถึงเราต้องใช้ใจด้วยขอวัดปฏิบัติงด้วยจิตด่วยใจด้วยการรักตามบรรทุกขัได้ต้อง ไปถึงจิถึงในจิตในใจใจจะใจจะเลื่อนใส่จะยินดีดีดูดูดูติดต่อตามประเทศ่ิตแบทำแนะนำทำสอนทวามไม่เ้าจเ้าห้าายายาอย่างไรใอกล้าในจิตแบบทำมาทำที่ฐานข่ะนี้ญาตอย่างไรทำสอนให้แตบทำเกินอย่างไรเต็นใจ การปกปิดปฏิบัติตามการปะปิดปฏิบัติตามตามที่ผัอนให้การทำบัการท่านของตนในแห้ราสื่อิงที5รายเราเกี่ยวอปฏิบัติมาไปจากข้พตัวผมยันจึงใหญ่ที่ทำให้ได้จ้า กรงน้อของจึงจับชั่อมันนน่นใส่พะพุทธเจ้าเรามีวันขอเรนมีวันจีจังชื่วมั่นเราำคำใส่ของพระพุทธเจ้าอย่างสนิกจังเอาเสว่างง ง, งงงาหัว่า อุ้ย จะแตกสลายทำลายไปเจบพระตัว น, นั้นก็ม า, าเสียนี่ก็จับภาพเดีกตเ้งจิตใจทั้งคันอยูกับที่แต่ เ, เราเขาถึดเจบพระธรรมสังข์ดพระพุทธเจ้าภผ่นรูอแผ่นละนกาจจทำบางสิ่งอะไรจททิตใจของเราอย่างนี้เข่าถีง ธรรมะี่พราได้จ่ายแนสอนอย่างไรเราเราเข้าิเข้าใจล้วตามแต่เปฏิบัติเท่านั้นฐานพระปฏิบัติตามธรรมะีเราท้จ่ายอย่างไรเป่อไปจากเรืององเรรู้ประจัก าจากธาตุไปเห็นธาตุธรรมะสังขารถึงจะนรู้ตามกำลัดกำลังต่อต่างถึงจะในศกษาหน้าหน้าตากอต่อต่างถึงจะอยู่ด้ตาในเขาอยูพระพุทธรูปเป็นศ่ษยาที่ว่ า, ใ น, นาในมีคำที่เรื่องศิษยารามีครูบาอาจารย์เืองหมู่ศยามีว่ท่านก็เป็นผู้ศี ติดอัดก็เาใจอัดอััดตท่านอยู่องค์เดียวไมนมีท่าสงได้หมดแล้วท่านก็เป็นท่าตกไม่ตัวข้งขัดอีกเพราะท่านปฏิบัติตามคำสอนของท่านี่ได้ศกษอาไว้ยิดใจไม่มีใจเี็บแข็งสงตัดยุใจจล่ายวางละ ไปจกักเรื่องที่ในจิตในโลกโลกจึงัม่เกี่ยวกับจิตใจเป็นอย่างไรละถอนไปเราการแตะเพืปฏิบัติงดไปขึ้นไปขนาดไห น, นจนจบขึ้นจากการจิดข้ไปจากอัดเกินเราจิตในใจก็ จะไปยึดมั่นล่ะอันนี้แหละเป็นตัวเป็นตนเป็นของประเสรที่สุดท่านก็ไม่ยึดอีกธรรมก็เป็นธรรมธรรมบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมบริสุทธิ์ต่างอันต่า ง, งา อ, อยู่ต่างอันต่างจิตไปจัครับยึดหรือย่างับในจิตของขัานคุณไปยึดไปจับ มาเป็นอย่างนั้นการส ง, งสัยในเรื่องพระพุทธาสนาการส ง, งสัยในต ำ, ตำลับตำลาการส ง, งสัยในกาลในเวลาพระพุทธศาสานาล่วงไปขนาดนี้นักเคนหมดไปสิ้นไปไม่มีบุคคลผู้ใดจะเที่ปฏิบัติได้ มันไม่มีต่จากตนที่ในครัน้าจเจะทจักละาชน์และท่านองค์นั้นได้เป็นผู้ดีที่สุท่านก็ไม่ตื่นไม่เหนื่ขึ้นเตามคำสาเสวน้องข้าท้าวจะดูดาวว่าเาจิติงอินชาท่านก็ไม่จมลงใม่แตลง ตาความจริางาแข็งแข็งจิตเขาท่านบริสุทธิ์อยู่อย่างไรท่านเข้าใจท่นานจัจับในตืนตามลมปกในตืนสัญญาอารมณ์หายหออกในตืนสัญญาอารมณ์ในตื่น ท, ทั้งฐานการพูนทั้งจิวิริยตั้หาในาจิตสีส เาเคยศึกษาวิศวบอาจารณ์ีลยสองเรื่องอย่างไรเราได้ละได้ของเรได้หมดเราต้องหวังอะไรตาจัเราใจเป็นฝันที่สีโกรเป็นตัดกับ